นั่งให้สบายสบายเอาที่อยปฏิบัติทำสมาธิภาวนาในการ <c oughs> นั่งในท่านั่งหรือยืนเดินนั่งนอนในยบทตรทั้งสี่ทำได้ ทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่เรียกว่าภาวนาได้คือทรรมความมสีสติสตินี่ธรรมชาติโดยธรรมชาติก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เป็นสติที่ฝึกฝนอบรม กำหนดจงใจประจัญการภาวนาที่เราตั้งใจเจาะจงมุ่งทำให้จริงจังนี่เป็นเรว่าเป็นการฝึกฝนอบรมสติของเราเพื่อให้สติมีความระลึกรู้คำว่าสติสติคือความระลึกรู้ ระลึกรู้อยู่กับผู้รู้หรือระลึกรู้อยู่กับใจธรรมชาติของใจคือธรรมชาติรู้รู้ร่อนรู้หนาวรู้ได้รู้หยาบละเอียดเป็นธรรมชาติของใจรูลล้ที่ฝึกสติให้ระลึกมันเป็นการกากับอาการแห่งความระลึก มากากับอยู่กับความรู้อีก <c oughs> แลลึรกรู้อยู่กับรู้อยู่กับใจนยว่าตั้งใจตั้งสติหรือว่ากำหนดสติรอบรู้ใจในอยาบทนั่งหรือยืนเดินแล้วแต่ขณะนี้เรา นั่งนั่งขัดสมาธิก็มีนั่งเก้าอี้ก็มีคือเราแต่งกายให้สบายไม่ขัดเครื่องแล้วก็แต่งใจในี่สำคัญนี่า <c oughs> สิ่งสำคัญคือใจใจนี่แหละเป็นมหาเหตุ ใจเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานใจนี่มันไม่มีรูปมันไม่มีรูปมันไม่มีตัวมีตนเป็นธรรมชาติรูปเหมือนกันกับเสียงเสียงก็เหมือนกันเสียงก็ไม่มีตัวตนแต่ถ้า เสียงเนี่ยมันเกิดจากการสัมผัสกับรูปแล้วก็ออกม า, าเป็นเสียงของรูปแต่ไม่มีตัวตนเหมือนกันกับใจใจคือความรู้ธาตุรู้หรือธรรมชาติรู้ก็ไม่มีตัวตน ท่านจึงว่าเป็นนามธรรม <c oughs> สิ่งไม่มีตัวตนนี่แหละแต่ว่ามีปัญหามีปัญหาให้เกิดความสุขและทุกข์เพราะว่าใจไม่มีตัวไม่มีตนแต่เป็นธรรมชาติรับรู้จึงรับรู้สภาวะแห่ง ความสุขหรือความทุกข์ความสบายหรือไม่สบายเช่นว่าในตัวของเราอย่างนี้กายกับใจอาศัยกันอยู่ส่วนกายนี่เป็นรูปเป็นรูปท่านยังเรียกว่ารูปธรรมคือกายเพราะท่านกายของเรานี่ก็เป็นก้อนธรรมะอันหนึ่ง ถ้าจะพูดธรรมะให้เป็นก้อนก็ต้องดูกายคือก้อนกายเนี่ยเป็นก้อนรูปส่วนใจไม่มีรูปไม่มีก้อนแต่เป็นนามธรรมท่านจึงว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่มีใจเป็นเป็นตัวปัญหาก่อนเป็นตัวเหตุก่อน มีใจอันเดียวไม่มีเรื่องอย่างอื่นที่ให้เป็นปัญหาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดความวุ่นวายทายแสหรือให้เกิดความสงบอะไรต่ออะไรมีใจเท่านั้นเนี่ยมีใจเป็นผู้รู้ปัญหารับรู้ปัญหาและเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็เกิด ขึ้นหรือเกิดเกิดดับดับเพราะความมีใจ เ, เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมารู้ฐานที่สำคัญแห่งความสุขความทุกข์คือใจและเราจรึงต้องม่อฝึกใจให้มี สติธรรมถ้าไม่มีใจสติก็ฝึกไม่ได้ไม่มีที่เกิดของสติคำว่าสติถ้าไม่มีใจก็ไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสให้เกิดว่าสัญญาความจำได้ไม้รูสังขารความนึกคิด ปุงแต่งวิญญาณความรับรู้ในการเสวยสุขและทุกข์จากสัญญาสังขารหรือจากอายตนะที่สัมผัสอายตนะหกตาหูจมูกริน้นกายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันสัมผัสสัมพันธ์กัน พรานจึงว่าใจเป็นใหญ่ในธรรมมโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษามโนมยา่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เมื่อมีใจเป็นใหญ่จึงเรียกว่าใจเป็นที่ตั้งของรูปใจเป็นที่ตั้งของเวทนา ใจเป็นที่ตั้งของสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อใจเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งเราจึงต้องมาฝึกใจมาฝึกฝนอบรมใจเพื่อให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันคุ้มคอง แต่แก่สติสติธรรมสติสัมปชัญญะสติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเมื่อระลึกรู้ต่อเนื่องกันละเอียดเข้าก็กลายเป็นความรู้ตัวคําว่าเป็นความรู้ตัวเนี่ยก็คือ ไม่เผลอไม่พังเผลอมีสติมีสัมปชัญญะทาหน้าที่อยู่กับใจนี่เรามาฝึกธรรมะในส่วนนี้ฝึกสติธรรมเนี่ยธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างในธรรม ดิภาคหมวดสองหมวดที่มีคู่เป็นสองท่านยกสติความละลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากธรรมที่ทำให้งามสองอย่างขันติคือความอดทนอดกลั้น โสรจจะคือความเสงีม่มความระแวดระวังความเตียมตัวพร้อมทั้งกายวาจาใจนั่นเรียกว่าความเสงีม่มเตียมตัวก็คือประกอบด้วยความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่เอง <c oughs> นี่ธรรมะที่ท่านกล่าวที่ท่านบอกไว้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติให้ระลึกต่อเนื่องขณะนี้เดียวนี้เรามาปฏิบัติกิตภาวนามาปฏิบัติฟังธรรมะเพื่อเป็นการอบรมจิตใจให้มีสติกล้าต่อเนื่องกัน เพื่อให้ใจนี่มีความสงบสงบจากสิ่งที่กระทบกระทั่งจากสัญญาอารมณ์จากอายตนะตาหูจะูมกรีนกายใจคือรสชาติแห่งความสัมผัสตาหูจะูมกรีน กายใจนะั่นท่านเรียกว่ารสชาติของพัรษะที่ท่านเรียกว่าโพธพะโพธพะธรรมารมูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมารมณ์โพธพะนี่แหละก็เป็นสื่อตัวสำคัญตัวหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วความจิตที่ยังมีความหลงคือความไม่รู้รอบนั้นก็จะกลายเป็น อาสะวะเป็นความเห็นผิดเป็นความสัมพันธ์ผิดแล้วก็จะเปลี่ยนวิถีจากความเป็นสัจธรรมไปสู่ความเป็นหิยธรรมหรือธรรมอันเลวเป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมที่เป็นอาสะวะให้เศร้าหมองด้วยความอยากความปรารถนา <c oughs> ที่มีความหลงเป็นตัวคุ้มครองก็จะให้เกิดกลายเป็นราคะจิตโทสะจิตโมหะจิตนี่จะเปลี่ยนวิธีจากความจริงไปสู่ความไม่จริงโดยอำนาจของอวิชชาอาสวะ เมื่อเปลี่ยนไปอย่างนั้นถาเราหลงตามความรู้ความเห็นความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งให้เราผ่านพ้นความทุกข์จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงตามความอยากความปรารถนานั่น จิตนี่ก็ทะเลาถลายไปตามสัญญาก็จดจําทุ่มเทไปในทางที่เป็นอาสวะสังขารก็ปรุงแต่งไปตามเมืองที่เป็นอาสวะเป็นหินธรรมแล้วความมืดความดำความหลงที่มีอยู่เดิมก็ยิ่งจะหลงไปเรื่อยยิ่งจะเพิ่มพูนความรุ่มความหลง ทุกเกิดแต่ความหลงอันมีอยู่เดิมแล้วก็จะเพิ่มพูนเป็นความทุกข์หลายๆอย่างวุ่นวายหลายอย่างไปตามกระแสแห่งหิน้ธรรมคือธรรมมันเล็วธรรมที่เป็นอาสวะปณิตาธรรมธรรมที่จะให้เกิดความสว่างธรรมที่จะให้เกิดความสุข อันแท้จริงเรียกว่าสัมมาสัมมาสติสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นสิ่งที่ชอบนี่เรียกว่าในมัมรรคแปดเนี่ยเป็นหนทางที่ชอบที่จะนำไปสู่ความสุข ความสว่างความว่างความวางความว่า ง, าางจากทุกทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าจะทมที่สุดแห่งทุกโดยชอบนับตั้งแต่ความทุกข์ห ย, ยาบในเบื้องต้นนี่ก็จะผ่อนผันไปได้ตามหนทางธรรมะที่ชอบ จนถึงพิมุตตินิพพานคือการรู้เท่าทันอาสะวะกิเลสทั้งหลายก็จะสิ้นสุดไปรู้เท่าทันความจริงของสิ่งที่สัมผัสกับกจิตใจนี่แหละที่มีใจเป็นประธานอันนั้นเป็นความสุขสุดยอด จะต้องดำเนินไปตามความเป็นความชอบที่เรียกว่าสัมมาสัมมาสัมมาคือความชอบธรรมความเป็นธรรม <c oughs> นี่มันจะเป็นสายทางที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ ต่อเมื่อเรามาทำความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจดังที่ยกพาสิทธิ์ขึ้นเบื้องต้นว่านตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี <c oughs> อันนี้เป็นข้อธรรมที่ยกขึ้นที่นี่สงบก็อะไรสงบ สงบที่ไหนสงบที่ใจของเราเนี่สุขก็สุขที่ไหนสุขที่ใจถ้าใจมีความสุขแหละใจมีความสงบทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็สุขไปด้วยถ้าใจดีแทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าไม่ดีที่ใจสักอย่างเดียวไม่มีอะไรดีถ้าใจไม่มีความสุขใจไม่ มีความสงบไม่มีอะไรสุขไม่มีอะไรสงบเพราะทั้นจึงมาจับเอาได้ว่า <c oughs> ทรรูปประธรรมนามธรรมมีนามธรรมคือใจเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้รูปประธรรมเป็นที่อาศัยของนามธรรม คือรูปร่างกายของเรานี่แหละเป็นรู ป, ปรธรรมนีก็มีใจที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนอาศัยอยู่กับรูปร่างกายของเรานี่เพราะฉะนั้นจึงปัญหาผู้รับปัญหาต่างๆก็รวมทั้งกายทั้งใจปัญหาคือความทุกข์ความวุ่นวายแต่รวมแล้ว เราว่าวุ่นวายกายวุ่นวายใจรวมแล้วก็เป็นเรื่องของใจเป็นประธานดังที่ได้กล่าวไว้ว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะการศึกษาธรรมะ แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามเส้นทางแห่งธรรมะซึ่งมีกายกับใจเป็นที่เกิดแห่งปัญหาต่างๆก็เพื่อจะให้ปัญหาต่างๆสงบระงับลงที่กายที่ใจของเราเพะฉะนั้นจึงมีการฟังธรรมะแล้วก็ จเจริญสมาธิคือจเจริญสติเพื่อให้สมาธิตั้งมั่นเพื่อเป็นกำลังหนุนปัญญาให้คล่องแคล่วว่องไวในการรู้การเข้าใจในสภาวะธรรม ทั้งที่เป็นหินะธรรมมัชฌิมธรรมและปนิตรธรรมเดี๋ยวให้รู้เท่าทันสภาวะของจิตใจเนี่ยที่มีสิ่งแทรกซ้อนขึ้นมาจะต้องอาศัยเจริญจิตภาวนาคือการฝึกใจให้มีสติ เป็นกำลังคุ้มครองในขณะนี่เดียวนี่หูเป็นศูนย์สัญญาณสำหรับรับเสียงเรวาวิญญาณหูหรือประสาทประสาทหูนี่เป็นเครื่องรับเป็นเครื่องรับเสียงสัมผัสถ้าวิญญาณหู ที่การหรือไม่มีหูอะไม่มีอะไรเป็นเครื่องลับเพราะฉะนั้นหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงใจเป็นใหญ่ในการรู้ขณนนี้เสียงธรรมสัมผัสที่หูของเราแต่ความรู้คือใจให้สติเป็นผู้คุ้มครองใจ ระลึกรู้ระลึกรู้ว่าขณะนี้แล้วรู้อยู่ปัจจุบันอุบายที่หรือว่าเป้าหมายที่ให้ความรู้รู้อยู่และสติรอบรู้ท่านเรียกว่าอารมณ์หรือว่าเป้าหมาย แห่งความระลึกรู้หรือว่าฐานที่ตั้งของสติอุบายการกำหนดสติให้ระลึกรู้ที่ท่านบอกไว้มีอยู่ถึง40สมีอยู่ถึง40อาการที่เรียกว่ากรรมฐาน40สบห้อง คำว่ากรรมฐานก็คือว่ากมะหมายถึงการงานการทำงานฐานะเป็นวัตตั้งที่ตั้งของการทำงานคือที่ตั้งของการกาหนดสติและ ร, รู้และให้ความรู้รู้อยู่ในจุดนั้นในฐานอันนั้นหรือในอุบายนั้นที่ท่านบอกไว้มีถึง4ี่สิบ เช่นอนุสติอนุสติสิบอสุภะสิบกษินสิบพมวิหารสี่จะตุธาตุว่าวฐานสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญานี่เป็นเป็นอุบายการตั้งสติฝึกสติที่นี่สิ่งที่มันมีอยู่กับ ตัวของเราเนี่ยก็คือกายกับใจดังที่กล่าวมาสัญญาจะจำอะไรก็เพราะกายเราสัมผัส <c oughs> สังขารจะปรุงแต่งจะเกิดความคิดปรุงแต่งและจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปทานก็เป็นเรื่องอยู่กับกายกับใจของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เด่นๆจุดที่เราควรจะกำหนดเป็นที่ตั้งของความะระลึกคือสติเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ให้ความรู้จดจอ่ออยู่ในการงานนั่นเช่นพุทธานุสติที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเคยจะปฏิบัติมีสติกำหนดรู้ คุณพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทโธพุทโธเออให้กำกับกับโลมหายใจลมหายใจนี้ก็เป็นกายแต่ว่าเป็นความละเอียดเรี่เป็นธาตุลมผ่านเข้าผ่านออกกำนดลรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทนี่ให้รู้อยู่อย่างนี้แหละ รู้แล้วจะได้อะไรกําหนดอยู่อย่างนี้จะได้อะไรสิ่งที่จะได้นั่นมันเป็นผลเป็นสิ่งที่จะตอบขึ้นมาให้เรารู้เองว่าในเมื่อสติของเรากลมกลืนกันอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกแล้วกํากับกับการนึกพุทธนึกโทที่ให้นึกพุทนึกโทเพื่อไม่ให้ ความนึกคิดที่ท่านเรียกว่ากิตตังไปนึกถึงเรื่องอื่นซึ่งเป็นสัญญาอารมณ์เรื่องอดีตอนาคตเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดอะไรในอดีตรือคาดคะเนเป็นในอนาคตให้ทอดทุละเรื่องเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นผู ก, กจิตผูกใจของเราให้ ลมเกืนกันอยู่กับคำว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทดเอาเท่านี้ทำให้มากจเจริญให้มากจดจ่อให้มากแพ่งเข้าไปให้มากคำว่าชานะคือการแพ่งเอาปรมัถธรรมคือปัจจุบันความแพ่งรู้ แห่งละลึกรู้อยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนเอาครอบคุมให้มันจดจ่อกันมันจะหลุดไปบ้างกำหนดเข้ามาเล็ดลอด อ, ออกไปข้างหน้าข้างหลังข้าง้ายข้างขวาก็ให้มีความเพียรมีความเพียรพยายามครอบคุมให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้นี่เรียกว่า เพียเพ่งอยู่ส่วนในองค์ของฌานที่ท่านบอกไว้ว่าวิตกวิจารั์ติสุเอกระคาตาอันนั้นมันจะเป็นผลไปจากการเพ่งอันนี้การเพ่งปัจจุบันทำสติให้ต่อเนื่องแล้วจะเกิดความเป็นสมาธิความมั่นคงความแน่วแน่ของใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ อันนี้เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าในขราวเมื่อพระ อ, องค์ทรงเป็นราชกุมารท่านได้เจริญโดยไม่มีใครสอนไม่มีใครให้อุบายเป็นเพียงท่านกำหนดรูปของท่านเองแล้วก็ยังประมะชานให้เกิดขึ้นที่ว่ามีความวิตกอยู่ในสิ่งเดียวและมีปิติมีความสุข เกิดขึ้นจากอนาปานสติการกำหนดรูหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวเท่านี้แหละนี่เป็นอุบายอันหนึ่งเพราะฉะนั้นทำให้มากจะเลืิอนให้มากเช่นอย่างขณะนี้แล้วจะกำหนดรูในอารมณ์อันนี้ก็ให้มันแน่วแน่เข้าไปที่นี่ ในอุบายทั้งสี่สิบอย่างนั้นมันก็แล้วแต่ว่าจุดไหนหรืออาการอย่างไรจะถูกกับจริตนิสัยอย่างไรที่นี่สำหรับนิสัยจิตใจของคนเราทุกวันนี้เป็นนิสัยจิตใจที่ชอบฟุ้งชอบปรุงไปตาม การตามงานแล้วก็ทำให้เกิดความความอยากในสมบัติต่างๆอยากได้อยากมีอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากในความมีรากคือมีสมบัติอะไรมากมายตามความอยากความปรารถนา <c oughs> อยากมียศมีอำนาจ แต่ความจริงสิ่งเหล่านี้ก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแต่ขั้งพุทธการก่อนพุทธการก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดคือสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโรคเมื่อหลงกับสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าอาเกิดอาสวะคือความเศร้าหมองแห่งจิตเป็นกิเลสคือโรคโกรธหลงไปตามความอยากใน ลาบยศเสนอเสิญสุขนี่แหละอาก็มีมาแต่ไหนแต่ไรมาทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ เ, เพื่อจะให้รู้เข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีอุบายแต่มันโลภมากๆยากมากๆ ก, ก, ก, ก็ให้ภาวนาเกิดดับให้กำหนดความเกิดความดับ หรือน้อมเข้ามาให้มีมรณานุสติการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อันนี้มีในอนุสติสิทิ์นึกถึงตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายหรือเกิดดับเกิดดับเกิดดับโมิกรรมเกิดดับเกิดตายนี่อันหนึ่งเป็นการที่จะทําความอยากความโลภนั่นให้เบาบางลงไป นี่อุบายเมื่อเรามีการกําหนดเพียงสั้นๆว่าตายตายตายรู้ตายเกิดแล้วตายยืนก็ตายเดินก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายมาเข้าใจในเรื่องความตายก็เรียกว่าเข้าใจในเรื่องของความแปรปวนคืออนิจจังก็มไม่เที่ยงแล้วก็เข้าใจในความไม่ใช่ตัวตน จากอุบายทำจิตให้สงบในเบื้องต้นหรือเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันชอบรุ่มรงอยู่กับรูปเสียงกินรสโธทพะก็มากำหนดพิจรารณาในอสุภะในความไม่งามในความแปรปวน นี่ก็เป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานในอสุภาสสิปนี่มาพิจารณากำหนดความเป็นอสุภะในอาหารที่ท่านเรียกว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญาทำสัญญากำหนดในความแปรปวนของอาหารที่เราบริโภค ก่อนที่จะมาเป็นอาหารเป็นอย่างไรนำมาจากวัตถุอะไรบ้างเมื่อมารวมกันแล้วเราก็ว่าเป็นอาหารที่สะอาดเป็นอาหารที่หอมหวนชวนชื่นชวนรับประทานเป็นของดบของดีแต่เมื่อมันผ่านการเวลาไปหลายชั่วโมงเข้าไปหรืมผ่านเข้าไปในร่างกายของเรา แล้วมันก็แปลปวนไปเป็นอย่างไรบ้างนี่ท่านให้กำหนดพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นอารมณ์แห่งสมถะทือจะทำจิตใจของเราให้สงบรวมลงสู่อารมณ์แห่งธรรมอันเดียวแล้วก็กำหนดสิ่งนี้นี่อันไหนมัน ผูกกับสภาวะจิตของเราที่มันดูดดื่มเป้าหมายไหนมันดูดดูดดื่มมันแน่วแน่ก็ให้เอาเป้าหมายนั่นเป็นหลักเป็นเป้าหมาย <c oughs> ส่วนวิธีการกะระทานั่นเป็นอย่างเดียวกันขึ้นอยู่กับสติทีนี้นมาหาคำว่าสติสติธรรม นี่เป็นเบื้องต้นสติธรรมนี่เป็นในองค์มรรคท่านเรียกว่าศีลศีล ส, สมาธิปัญญานี่หนทางหนทางแห่งธรรมะการดำเนินธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมะให้ตรงต่อหนทางอันชอบก็ได้เก่ดศีล ศีลก็มาเป็นเรื่องสตินี่ผู้มีสติสมบูรณ์ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ทำไมจึงว่ามีสติเป็นศีลสมบูรณ์เพราะว่าสตินี่เมื่อฝึกให้ต่อเนื่องต่อเนื่องนี่แหละอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธเอาฝึกตัวนี้ให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องจนยืนเดินนั่งนอน รู้ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดไม่มีหลับไม่มีตื่นจะเป็นความรู้ความระลึกความตื่นอยู่ตลอดรู้ได้ว่าสตินี่ไม่เผลอ ส, สตีไม่เผลอจากใจจากจิตใจคือผู้รู้รู้อะไรขณะไหนเนี่ยกากับกันอยู่ทุกขณะหรือ ละลึกเรื่องอะไรเนี่ยทั้งความรู้ทั้งความละลึกรู้กลมคืนกันนี่อย่างเรากําหนดพุทโธพุทโธ ท, ที่นี่มันจะกลายเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องได้กาหนดอะมันจะเป็นพุทโธพุทโธในใจรู้พุทรู้โทโกลมเกื่อนกันไปความเบาความสบายจิตใจเคยหนักเคยนวงกายเคยหนักนวง ทวงทุก์ทั้งหลายมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นนี่แสดงว่าสติของเราต่อเนื่องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใ จ, จมีความเบายิ่งกว่านั้นละเอียดเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่เราจะรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติผู้เจริญสติเท่านั้น ในหลักธรรมท่านก็ยังบอกไว้ว่าผู้เจริญสติในโพธสัตสังโฆสติสังคาโตผู้เจริญสติให้ต่อเนื่องกันเนี่ยกันไม่ให้พลั้งเผล่นี่ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ผู้มีอุปนิสัยผู้มีอุปนิสัยเร็วก็เรียกว่าเจ็ดวัน เอาให้สติต่อเนื่องกันอยู่เกดวันเกดคืนจะรู้สิ่งที่ละเอียดต่อจากนั่นไปจะรู้สมาธิจะรู้ปัญญาที่พิจรารณาเข้าใจในสภาวะธรรมที่เรียกว่าปัญญาในองค์มรร อาศัยกำลังจากสติและสมาธิถ้าในเรื่องปัญญาสาที่ท่านแสดงวิปัสนาปัญญาสามอาการเจริญปัญญาหรือว่าปัญญาสุตมะยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดเพราะการได้ยินได้ฟัง ก็มีกำลังความทราบซึ่งในระดับหนึ่งปัญญาที่เกิดเพิ่มเข้าไปต่อเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมาตึกตองไข้ควรก็จะทราบซึ่งละเอียดเข้าไปต่อเมื่อภาวนาเนี่ยจะเลืนสติให้ต่อเนื่องกันแล้วก็มีสติกำกับกายจิตใจ อยู่ในทุกขณะทุกอิริยาบ์ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเพียรเพ่งอยู่เรียกว่าภาวนาให้มันต่อเนื่องกันไปปัญญาที่จะเกิดขึ้นหรือจะน้อมไปพิจารณามันจะเหมือนกันกันกบมีดที่คมมีดที่คมจิตรับหินรับหินที่ดี เหล็กที่ดีมีความคมจะตัดจะฟันอะไรจะฟันไม้เป็นไม้แห้งหรือแม้แต่จะฟันเหล็กก็ยังขาดไปได้อันอำนาจของความคมแข็งแกร่งของมีดที่ถูกซุปถูกฝนให้ละเอียดเข้าไปใ น, นเรื่องปัญญาเนี่ยก็เหมือนกันปัญญาที่จะ แก้ความเห็นผิดให้เป็นเห็นความเห็นถูกให้ขาดความสงสัยตัดวิกิกิจฉาความสงสัยรังเลออกไปได้ก็เป็นปัญญาภาวนามมะปัญญาไปจากการที่เราปฏิบัติในองค์มครรคเนี่ย เรียกว่าศีลในองค์มรรคมาจากสติศีลแะสังวรมีสติอยู่เรื่อยๆต่อนเนื่องกันก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นของใจหรือความที่ว่าใจเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านคือความรู้เนี่ยไม่สายไปตามความฟุ้งซ่านก็ได้หรือจะว่าความฟุ้งซ่านสงบ ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าระหว่างความฟุ้งซ่านกับความสงบมันก็เป็นอยู่ในใจอันเดียวกันขณะที่มันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดไม่จบคิดไม่สิน้นคิดปัญหาไม่แตกไม่จบแก้ปัญหาไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งยิ่งร้อนยิ่งทุรนทุรายนะนั่นคือความฟุ้งซ่านของใจ ทีนี้เมื่อมันถอยเข้ามาคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนอย่างธรรมมาล่งปูดุลทนว่าต้องหยุดคิดการหยุดคิดก็คือให้มารู้ให้มารู้แต่ก็เป็นความคิดนั่นแหละแต่คิดในสิ่งเดียวคือคิดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธรู้อยู่ในสิ่งเดียวทีเมื่อมันรวมเข้ามาในตรงนี้แล้วที่นี่ปัญหาที่วุ่นวายทั้งหลายมันก็จะตกไป กลาเป็นใจสงบหรือว่าใจสงบหรือว่าอารมณ์สงบก็แล้วแต่แต่มันเข้ามาเป็นผู้รู้ในใจของเราทีนี่มันรู้ไม่วุ่นวายไม่มีความวุ่นวายในเมื่อมันยังไม่สงบมันรู้อยู่แต่รู้วุ่นวายรู้วุ่นวายเนี่ยหมายถึงว่ามันส่งแส้สายไปกับสิ่งน้นสิ่งนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งส่งไม่หยุดไม่หย่ามันกลายเป็นสัญญาอารมณ์ กลายเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญเพราะฉะนั้นการฝึ ก, ก จ, จิตใจให้เป็นไปตามสายทางแห่งธรรม ะ, ะคือศีลสมาธิปัญญาจึงต้องมาฝึกทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมถะธรรมนัติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าใจของเราสงบจากสัญญ า, ารมหรือสัญญ า, ารม ไม่รบกวนจิตใจของเราได้นะ่ะันมีแต่ธรรมชาติรู้ว่ามันแนวกับคำว่าพุโทโธพุโทโธหรือกับลมหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปและจนเป็นความรู้อันเดียวนั่นแหละไม่มีทุกข์เป็นความสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งสุขในขั้นของสติสมาธิ พอจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจสงบ น, นี่ความสุขแต่มันยังยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นเชื่อเหมือนกันกับเราตัดต้นไม้มันยังมีรากมันอยู่เดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาอีกอันนี่ก็เหมือนกันอาสวะกิเลสความรุ่มหลงมันยังมีเชื่ออยู่เป็นเพียงแต่เรากดหรือเราทับไว้ด้วยสมาธิ เมื่อออกจากสมาธินั่นมาละมันจะวุ่นวายมันจะเราร้อนเพราะความเห็นยังไม่ชอบบางรู้ความเห็นยังไม่เป็นสมาธิทีเพราะฉะนั้นจึงเวลาฝึกจึงต้องฝึกสติสมาธิและปัญญาให้ควบคู่กันไปแต่ว่าให้เจริญควอบคู่กันไปแต่เวลาเราเจริญ ในเบื้องต้นที่สติของเรายังไม่เข้มแข็งสมาธิยังไม่มั่นคงนี่ก็ยพยายามฝึกสตินี่ให้ะระลึกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนมันไม่เผลอไม่เผลอเราจะรู้เองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปถามคนนั่นคนนี่ว่าความไม่เผลอของสติมันเป็นอย่างไร ถ้าเราทำให้ต่อเนื่องเราจะรู้เองที่ว่าไม่เผอคือเว้นไว้แต่ขณะหลับแม้แต่ขณะหลับชั่วขณะหนึ่งเวลาตื่นระหว่างจิตกับกายมันสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็จะรู้ต่อเนื่องเป็นการเป็นการทำหน้าที่ของสติต่อเนื่องไปและสมาธิก็จะเข้มแข็งที่ในคำว่าสมาธิ เข้มแข็งเนี่ย <c oughs> คือถึงแม้เวลาเราจะอยู่ในอริยบทอะไรคำว่าจิตมันเป็นสมาธิมันก็จะเป็นอยู่อย่างงั้นแหละไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดอะไรกำลังแห่งสมาธิมันจะเป็นกำลังคุ้มครองจิตใจคุ้มครองกับผู้รู้อยู่นั่น ที่นี่มีอะไรมีอารมณ์อะไรมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรจิตมันจะไม่ไม่วอมแหวมไม่กระสับกระส่ายไม่เกิดความทุกข์ก็จะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงว่าแก้ปัญหาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำทั้งสามอย่างนี้เป็นทำคุ้มครอง รูปธรรมนำมาทำคือคุ้มครองกายใจของเราที่ยังใช้สมมุติทําการทํางานอยู่นี่เหมือนอยา่างพวกเราทําการทํางานกันอยู่เนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนมีหน้าที่การงานความรับผิด ช, ชอบอย่างหยาบบ้างอย่างละเอียดบ้างการงานที่ต้องใช้สติปัญญาละเอียดก็มีการงานที่ใช้สติปัญญาแค่ห ย, ยาบๆก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้น จึงต้องฝึกสติสมาธิปัญญาในองค์มรรคนี่แหละให้มีความแข็งแกร่งพระเจ้านอนนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามที่พวกเราได้สนใจในการฝึกหัดปฏิบัติอบรมธรรมะนี่เป็นความคิดความเห็นหรือเป็นข้อปฏิบัติ ที่ถูกต้อมนําไปสู่ความชอบธรรมนําไปสู่ความรู้ความเห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาสมา ธ, ธิอันนั้นตัวนั่นจะเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายตัดสินด้วยปัญญาคือทำความหลงทั้งหลายให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญายานัทนะอันแจงแจ้ง ใ้เบื้องต้นนี่ยกำลังสติสมาธิของเรายังไม่เข้มแข็งก็จึงต้องฝึกฝนอบรมนี่แหละสติสมาธิ <c oughs> ที่ในการฝึกฝนอบรมสติสมาธิไม่ใช่ว่าจะฝึกฝนแต่เวลาเราจะไปนั่งทําสมาธิหรือไปเดินทําสมาธิหรือเวลาเราไปอยู่วัดไปสถานที่อบรมทำประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม เราจะต้องฝึกไปทุกอิรยาบทเพราะว่าในธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้ชอบสวากขาโตพระขวะตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคตัดไว้ชอบแล้วสันทิฏิโกจะต้องเป็นผู้รู้เองเห็นเอง อักาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัสสิโกพิสูจได้โอปนาญิโกน้อมเข้ามาปัจจตังเวทิตะโภวินโยหิจะรู้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นตั้งสติกำหนดสติทำสมาธิจึงต้องทำไปทุกอียาบท ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดเมื่อมันมีกำลังแล้วมันจึงจะจัดสรรหรือแยกแยะทำที่เป็นอาสวะทมที่เป็นส่วนหยาบส่วนอกุศลจึงจะเอาสะนะส่วนนั้นได้ถ้าหาว่าธรรมในส่วนที่เป็นกุศลคือสติสมาธิและปัญญาญชอบ ไม่มีกําลังแล้วมันจะเอาชนะไม่ได้มันจะแยกกันไม่ออกมันจะรวมเป็นอันเดียวกันสุดท้ายก็หลงก็เลยปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมแทนที่ว่าธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุก์จากปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆเมื่อเราทาไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกโดยหลง อธรรมเป็นธรรมหลงธรรมเป็นอธรรมก็จะดำเนินตามเส้นทางแห่งอธรรมพ้นก็คือความทุกข์ก็จะไม่สิ้นสุดได้เ <c oughs> เพราะฉะนั้นในหนทางที่ถูกต้อง <c oughs> ก็ที่พวกเรารพฤติปฏิบัติกันอยู่นี่แหละปฏิบัติธรรมด้วยการอบรมจิตใจเนี่ อันนี้เป็นส่วนสำคัญเรียงว่าภาวนามายปัญญานี่แหละการที่จะให้เกิดปัญญาจากการภาวนาที่เรามาทำสตินั่งสงบนิ่งกำหนดรูพุทธหายใจเข้าทอหายใจออกหรือจะเพ่งอาหารเปฏิคูลสัญญากำหนดดูอาหารที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว มันแปรควนไปอย่างไรบ้างหรือกำหนดแยกธาตุรูกำหนดรูกายแยกธาตุในกายของเรานี่ดินนี่น้ำนี่ลมนี่ไฟจะตุธาตุเพราะว่าฐานสีกำหนดนั่งเรียกว่าเพ่งผมคนแลบฟันหนังนี่เป็นดินน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดนี่เป็นน้ำ ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในกายเป็นธาตุไฟความรับรู้รับทราบเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสก็เป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตรูปไปหรือเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุอาศัยส่วนธาตรู้ธาตรู้ดั้งเดิมปฐมธาตุปฐมมกิดปฐมวิญญาณ อันนั้นเป็นความรู้ที่ไม่แปรปวนไม่เกิดเกิดดับดับแต่ความรู้เพราะหูได้ยินเพราะตาเห็นมันเกิดเกิดดับดับบางทีก็ได้ยินบางทีก็ไม่เห็นอย่างนี้นี่มานั่งเพ่งธาตุนี่เพ่งธาตุอันนี้เรียกว่าทมสมถะกับวิปัสสนาคู่กันไปาการเจริญภาวนาเพ่งธาตุเนี่ยคือมันต้องใช้ความคิด ใช้ความนึกคิดวิจัยวิจารณ์แล้วก็ใช้สติกําหนดจดจ่อให้แน่วแน่ไม่ให้เผลอไปเรื่องอย่างอื่นคือแพ่งธาตุอยู่นี่กําหนดธาตุอยู่นี่ก็ให้อยู่กับอันนี้ไม่ให้เล็ดลอดไปเรื่องน้นเรื่องนี่อดีตอนาคตนี่เป็นอุบายการฝึกซ้อมการสร้างธรรมะ เราต้องทําเองอัตติอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้บอกผู้สอนที่จะให้เป็นให้เข้าถึงธรรมมันแท้จริงเราต้องทําเองปฏิบัติเองเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อให้จิตใจของเราเนสงบจากสัญญารมสงบจากสังขาร คือไม่หลงสังขารไม่หลงสัญญาไม่หลงสุขหลงทุกข์ไม่หลงเวทนาไม่หลงรูปหลงกายเข้าใจความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายใจของเราก็สงบจากความหลงเพราะมีความรู้เมื่อความหลงไม่มีความคิดผิดเห็นผิดรู้ผิด ไม่มีมิแต่ความรู้ชอบเห็นชอบตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดญาณทัศนะความรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเหลือแต่ใจที่รู้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีทุกข์อีกต่อไป <c oughs> ได้นำธรรมะหรืออุบายในการปฏิบัติมาชีแจงแสดงพอให้เป็นเข้าเป็นราชเรา เป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแลว้วแต่ละท่านก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเอาอุบายที่ได้แสดงให้ฟังเนี่ยไปปฏิบัติการปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นว่าเราตั้งสตินี่แหละไม่ให้เผลอนี่ให้สติต่อนเนื่องกันท่านว่าเจ็ดวันอย่างซาเจ็ดวันหรือสามวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไร ก็แล้วแต่นะแล้วเราจะรู้เองเข้าใจเองเมื่อทาให้ต่อเนื่องกันแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นของของเราถึงแม้เราทําไปแล้วยังไม่เห็นผลยังไม่เป็นผลเกิดอันนั้นเป็นเรื่องความอยากของเราไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ใช่เรื่องศรัทธาเชื่อมั่นเป็นเรื่องความอยากทําไปนิดๆหน่อยๆนั่งกำหนดพุดโทโธพุโทโธไม่เห็นจิตแลรวสงบแต่ยังคิดปุงฟุ้ ง, งวุ่นวายอยู่ นั่นมันเป็นความอยากอยากให้เป็นอยากให้เห็นอยากให้สงบเอลาเราทำเนี่ยเราไม่ต้องอยากทอดทุเลความอยากเป็นเพียงแต่ว่ามุ่งมั่นในการกระทําทํางานเหมือนกันกันกบเราทํางานภายนอกนี่แหละทำงานให้กับบริษัทอะไรเราตั้งใจทําให้ดีแน่ๆเรื่องเงินเดือนเรื่องเกียรติเรื่องยอดเรื่องขั้นอะไรมันเป็นผลที่ตามมาจากการกระทํา ให้แน่วแน่ให้ถูกต้องดีงามของเรามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเหตุส่วนเหตุคือทําให้แน่วแน่ให้ราบรื่นดีงามนี่แหละเอาใจใส่ในการกระทำํำนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมภายในเนี่ยมีสติตั้งจดจอ่อเอามีความเพียรเท่านั้นแหละส่วนผลเขาจะเป็นเองจะชา้าหรือเร็วก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่เหตุ่งการกระทําของเรา เเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปปนาจิโกน้อมเข้ามาให้ถึงกิตถึงใจทางตั้งใจให้มีศรัทธาเชื่อมัน่นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ไหนแะแก้ทุกทั้งหลายเนี่ยแก้ที่ใจของเราปฏิบัติต่อใจสิ้นสุดลงไปที่ใจมีความสุขอันยิ่งที่ใจของเราในที่สุดแห่งการ อธิบายธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาโดยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และอำนาจแห่งธรรมะปฏิปโนโหติการประพฤติธปฏิบัติธรรมะทานศีลภาวนาของพวกเราที่สมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติจงรวมเป็นภา ร, ระเป็นกำลังหนุนนําให้พวกท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญในศาสนาธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถึงพร้อมด้วยความสุข ก, กายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเชอครับคือทางหลวงพ่อที่วัดนะครับจ ะ, ะ ท, ท่านกฐินสมทบทุนท่านบัญญัสมทบทุนกฐินของหลวงพ่ อ, พอเดี๋ยวก็เรียนเชิญ น, นะครับกฐินบุรณะเจดีย์ ขององค์หลวงปู่บุญจันทร์อนนี้มันครบสร้างมาเพราะว่าหลวงปู่ท่านจะครบร0 0ปีปี2559าตอาิชาติกาลร้อยปีหลวงปู่บุญจันทร์องค์หลวงปู่ท่านเกิด2459่ากแลก็ท่านออกบวชเป็นสามเณรสองปีแล้วก็บวชเป็นพระปี2400 เจ็ดสิบเก้าจนถึงท่านลัศสังขน 59, ันห้าสิบาพรรษาที่นี่ก็เป็นการเจริญนับวันเกิดท่านละมาหนะ้าเกนี่ยครบ100ยที่นี่เจดีย์ที่สร้างเป็นอนุสรณ์ถวายท่านก็รู้สึกว่าค้ำค่าก็เลยจะบุรณะให้ใหม่แล้วก่อนจะสละร้อยปีเหรียนทันวาสองพาร้อย ผู้ใดจะทำบุญส่วนนี้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ส่วนที่เป็นรูปธรรมาศาสนวัตถุก็ทำได้ตามความปรารถนาตามกำลังของตนของตนแต่หลวงปู่ท่านเคยสอนลูกศิษย์สอนนักสอนหนาหลวงปู่บุญจันทร์ ลูกศิษย์ลูกา้าทั้งชาวบ้านทั้งผู้มีฐานะสูงฐานะต่ำนีความร่ำรวยน้อยมากแต่เวลาไปกราบท่านท่านจะเน้นเรื่องท ร, รมปฏิบัตินี่แหละเรื่องภาวนาท่านจะบอกโอ้เท่าแกทำทานเราก็ทำมาอยู่เรื่อยๆทำมาอยู่ตลอดแล้วที่นี่ให้ภาวนามากๆนะ ให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนี่แหละฝึกสติฝึกกิจของเราให้มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเพราะว่าอันนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดได้อย่างแท้จริงมันก็เป็นอย่างหลวงปู่ท่านว่าเนี่ยถ้าเราทําทานเรามีวัตถุทานเราก็ให้ทานอันนี้ก็มีอันนี้สงอยู่หรอกแต่ว่าเราไม่มีภาวนา เราไม่มีความรู้ความเข้าใจจิตไม่มีสมาธิเป็นกำลังเเวลาเราเก็บไข้เราป่วยเก็บไข้อะไรจิตไม่มีสมาธิมันจะไม่มีที่มันจะไม่มีที่ทวางทุกขเวทนาผู้ที่ท่านมีกำลังสมาธิมันจะมีที่อยู่อย่างบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งในกระดูกมันปวดมากปวดพวกเจ็บปวดมากที่สุด โรคมะเร็งในกระดูกถ้าผู้ที่มีสมาธิที่ได้ฝึกไว้แล้วมันจะมีที่อยู่ของเขาคือจิตก็เป็นจิตผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ทุกเวทนานก็เป็นอาการอันหนึ่งมันจะมีที่อยู่และยิ่งมีปัญญาจเจริญปัญญาให้เข้าใจแล้วมันจะวางด้วยปัญญาจะวางด้วยปัญญาเนี่ยจึงว่าเป็นสิ่งสําคัญ